ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องศีลคำว่าศีเลหรือศีลคำนี้นะท่านแปลว่าปกติกายวาจาปกติหมายความว่า มีความประพฤติดีสม่ำเสมอไม่ได้ประพฤติชั่วด้วยกายด้วยวาจาไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามหรือถ้าสินแปดก็ไม่ได้ประพฤติร่วงพรมวจันทร์ในแก่เว้นจากการเมถุนธรรมนี่ ไม่ได้ดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝินเฮโรอีนอันเป็นที่ตัง้งของประมาทผู้รักษาสินแปลกก็เพิ่มเข้าไปแบบนี้เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่เว้นจากการฟ้อนรำขับร้องดิสตีเปา ประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องทาเครื่องย้อมต่างๆแล้วการนั่งนอนก็นั่งนอนให้ถูกตามระเบียบคือนอนเตียงขาเตียงไม่สูงเกินกว่าสิบนิ้วช่างไม้นับแต่แม่แค่ลงไปแล้วก็เป็นเตียงนอนสำหรับคนเดียว เตียงนอนสำหรับสองคนท่านห้ามแล้วเตียงนอนที่ประดับประดาตกแต่งหรูหรามีลวดลายต่างๆอะไรอย่างนี้นะเนี่ยก็นอนไม่ได้แล้วอาสนะที่ยัดโดยนุ่นและสำลีก็นั่งนอนไม่ได้เนีย่ยนี่ให้พึงเข้าใจ ผู้รักษาสินแปดก็ต้องสำรวมในสิกขาบทเหล่านี้ให้ได้เมื่อสำรวมได้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีความประพฤติเป็นปกติไม่ล่วงพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้ก็เป็นบุญเป็นกุศลของผู้รักษา ไม่ใช่ว่าเรามารักษาศีลเปล่าๆโดยไม่ได้บุญได้กุศลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ฮะได้บุญได้กุศลมากมายคำว่าบุญนั้นก็หมายความว่าเมื่อเรามาทำความดีไม่ทำความชั่วนั่งภาวนาพิจารณาดูตัวเองเห็นว่าตนเองนั้นทำแต่ความดีความชั่วไม่ทำก็จะเกิด ปิติขึ้นในใจเออบอิ่มใจใจเบิกใจบานอันนีราทันเดียวกว่า บ, บุญให้เข้าใจบุญเกิดขึ้นในใจบุญนั้นไม่มีรูปร่างอะไรเป็นนามธรรมเกิดขึ้นกับจิตใจเมื่อใจนึกถึงความดีเรานั่นมาแล้วก็เกิดปีติว่าเรานั้นได้ทําดี เรามีบุญกุศลคือความดีเป็นที่พึ่งโยให้อย่างนี้เราเรียกว่าทำบุญให้เข้าใจคำว่าทำบุญบมเพ็ญกุศลนั่นหมายถึงว่าเราอบรมจิตใจให้สงบประงับลงไปแล้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นสามารถสอนจิตใจตัวเอง ให้ละกิเลสอันที่ยังละไม่ได้นั่นนะให้ละมันถ้ามันไม่ขาดก็ให้มันเบาบางออกไปจากคิดใจหรือว่าความชั่วร้ายอันใดมากระทบกระทั่งเข้าอย่างนี้เราก็รู้ทันเราไม่ห ว, วั่นไหวพยาามมันใครจะมายั่วให้โกรธเราก็ไม่โกรธอย่างนี้นะห้ามจิตใจ ถอนจิตตัวเองให้ละอารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังต่างๆได้อันนี้ท่านเรียกว่าบำเพ็ญกุศลนะให้พากันเข้าใจเราบำเพ็ญทั้งบุญทั้งกุศลนั่นอรดีอย่าไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันนะคำว่าบุญกับกุศลนี่นะกุศลนั่นย่อมมี ประสิทธิภาพสูงกว่าบุญเพราะกุศลนั่นหมายถึงเอาจิตใจที่ฉลาดรู้จักละกิเลสป่ปาพธรรมออกจากกิจใจได้ถึงไม่หมดก็เรียกว่าทำให้บาวางลงได้อย่างนี้นะบุญคำว่าบุญนั้นมาถึงเราทำความดีด้วยกายด้วยวาจาเช่นกราบไหว้พระพุทธธรรมป ร, ร, ระสง์อืม ไหวพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาได้ความอิ่มใจหรือว่าได้สละวัตถุทายทานที่หามาได้แสนยากออกให้เป็นทานไปเช่นนี้แล้วก็มาพิจารณาถึงผลทานที่ตนได้กระทาบำเพ็ญ น, นั้นเห็นว่ามีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นจริงๆก็เกิดปีติปวามโมดขึ้นในใจ อิ่มใจขึ้นมาอย่างนี้นะผู้ที่ได้มาบวชจะเป็นชั่วคราวก็ตามหรือถาวรก็ตามเมื่อได้บวชมาแล้วก็มาพิจารณาถึงบุญวาสนาของตนว่าตนมีบุญวาสนาถึงได้มาบวชนุ่งเหลืองหรือนุ่งขาวห่มขาวนั่น ไม่ใช่คนไม่มีบุญนะหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวสมทานสินแปดรักษาสินสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกเล่นกายใจไม่ให้เกิดความยินดีในเวลาได้รับอารมณ์ที่ดีไม่ให้ยินร้ายในเวลาได้รับอารมณ์ที่ร้ายทำใจให้เป็นกลางอยู่ เช่นนี้นะว่าได้บุญได้กุศลไม่น้อยนี่อือานี่แหละการรักษาศิ้นแปดท่านก็ว่าเทียบได้กับการประพฤติพรหมจรรย์นั่นเองเนี่ยก็เป็นพรหมจรรย์นั่นเองนะเ ป, นนน เ, งนะเป็นนักบวชเพราะว่าเป็นผู้เว้นจากคนคู่ทําตัวเป็นคนผู้เดียวนี่นะนักบวชที่นุ่งเหลืองห่มเหลือง ก็เช่นเดียวกันก็ทำตัวเป็นคนผู้เดียวไม่ทำตัวเป็นคนคู่อย่างชาวบ้านเขาให้พึงเข้าใจไว้คำว่านักบวชนั่นน่ะนี่แหละจุดสำคัญแท้ๆก็คือว่าพูดกันอย่างเปิดอกความเป็นผู้ระวงังจิตของตัวเองไม่ให้กำหนัดในกามคุณทั้งห้า คือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆที่ผ่านมาทางตาเป็นต้นเหล่านี้นะไม่หลงกำหนัดยินดีไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆนี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ถ้าไปยังหลงหินดียินร้ายกับอิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีอนิธารมอารมณ์ที่น่ายินร้ายดังกล่าวมานั่นนะพมจรรย์ของผู้นั้นก็ยังเศร้าหมองอยู่จะคองใสเต็มที่ยังไม่ได้ก็เศร้าหมองขุนมัวหมายถึงจิตใจนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นแล้วะายย่อมเศร้าหมองขุนมัวอยู่ด้วยกิเลส เหล่านั้นมันครอบงำเอาผู้ใดรู้อย่างนี้รู้ตัวอย่างนี้ก็รีบทำความเพียรกาหนดละมันเข้าไปจเจริญอสุภกรรมาฐานให้จน เ, เกิดอุคาหนิมิตขึ้นในใจคืออะไรอุคาหนิมิตก็คือเราเพ่งเข้าไปภายในกายนี่เห็นร่างกายนี่มันเน่ามันเปื่อย คือว่าเห็นภาพของร่างกายเนี่ยเน่าเปื่อยติดหูติดตาจริงจิเห็นภาพร่างกายนี่นำ้นำเนำ่าน้ำเหลืองอะไรไหลเยอะเดี๋ยวเห็นต่างกายนี่ถ้ า, าว่าไม่ฝังไม่เผาบรรดาพวกแร้งพวกกาพวกสุนักก็ไปยื้อแย่งกันกินเป็นหมู่เป็นหมู่งั้นนะมันไม่มีอะไรนะอืมร่างกายนี่ เมื่อพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วหมดบุญเก่าที่ตามมาตกแต่งให้แล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องตายอันเราทําบุญใหม่มนี่มันจะต่ออายุให้ไม่ได้ผิดกฎธรรมดาอุปมาเหมือนอย่างช่างหม้อที่เขาปั้นหม้อเนือทําถ้วยชามอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยก็เมื่อมันแตกออกกันแล้วนะเขาไม่มีทางจะไปสาบไปต่อเลย กับปั้นเอาลูกใหม่ต่อไปเท่านั้นแหละอืมชาวบ้านก็เหมือนกันนะเมื่อมันแตกชายไปใช่ไหมมันแตกแล้วก็ซื้อมาใหม่อย่างงี้นะอออเพราะว่าเอาไปเยียวยาเนะี่ยมันก็ไม่คงทนอะไรอย่างร่างกายคนเราก็เป็นเหมือนกับหม้อเหมือนกับภาชนะที่ปั้นด้วยดินเผาต่างๆหมดนั้นแหละมันก็เหมือนกัน เราอาศัยมันไปโดยลำดับไปมันก็สึกหลอไปเรื่อยๆไปํำรุดไปอย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุญเก่ามันน้อยหลอลงไปเท่าใดร่างกายนี่มันก็ยิ่งทรุดโทรมไปเท่านั้นอ่อนเพียงลงไปเท่านั้นถึงว่าร่างกายนี่ยังปรากฏว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่ก็าตามนะแต่เรี่ยวแรงนี่นมันหมดไป มันเป็นอย่างนั้นจะไปทํางานหนักไม่ได้เลยไม่เหมือนแต่ยังหนุ่มอ่ะยังหนุ่มแน่นแล้วเต้นซ้ำศอกออกถ้มว่าแบกห้ำเดินทางไกลมันไม่เน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรเหนื่อยก็เหนื่อยนิดหน่อยพักผ่อนแล้วก็หายไปนี่แหละเมื่อคนเราเนี่ยหากว่บุญมันน้อยหลอลงไปแล้วร่างกายมันชำรุดทุดโทมไปถ้าได้ลงเหนื่อยแล้วก็ กวัวจะหายได้ก็นานขนเท่าขนแกรลงได้เหนื่อยแล้วนี่ต้องหยุดพักตั้งนม น, นนะั้นกลัวจะหายเหนื่อยอไม่เหมือนคนนมคนหน่มก็พักนิดหน่อยแล้วก็ก็หายอย่างนี้แหละลักษณะอาการของอกคนผู้ที่มีบุญกุศลที่ได้ทํามาแต่ก่อนมันล่อยหลอลงไปมันจวนจะหมดไปแล้วมันก็แสดงให้รู้ให้เห็นอยู่แล้ว แต่คนเรานั้นไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาส่วนมากนั่นนะแม้จะเท่าแก่ชราอย่างไรก็จะไม่คิดทำบุญกุศลไม่คิดฝึกตนอบรมตนเลย อ, อย่างนี้แหละเมื่อรู้ว่าร่างกายนี้มันอาศัยบุญเก่าพอบุญเก่ามันหมดมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ผู้มีปัญญาเมื่อพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี่ ยังแข็งแรงอยู่บุญกุศลยังหล่อเลี้ยงรักษาอยู่เช่นนี้ก็ไม่ประมาทรีบเร่งทําความดีเข้าไปเว้นจากการกระทําความชั่วโดย ก, การทั้งปวงฝึก จ, จิตใจตัให้ดีให้มีความเชื่อมั่นต่อที่พึ่งอันประเสริฐคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะคุณทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆ เพราะเหตุว่าพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสโนยใหญ่ทั้งหลายก่อนคนอื่นทั้งหมดพระองค์พยายามละกิเลสโดยลําพังพระองค์เองไม่มีใครแนะนําสั่งสอนอุปายอะไรให้เลยเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าเป็นอัจฉริยะมนุษย์เป็นมนุษย์ที่น่าอัศจรรย์เพราะคนธรรมดาสามัญ น, นี่จะภาคเพียน อย่างไรอย่างไรมันก็ไม่สำเร็จได้ถ้ายังไม่ได้ฟังคำสอนจากพระพุทธเจ้าหรือท่านผู้รู้ทั้งหลายก่อนไม่สามารถจะได้บักได้ผลอะไรเลยเราพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเลยว่าเป็นผู้เป็นที่พึ่งอันป็นเสถียรจริงเพราะว่าอารหัตตะคุณคุณคือความสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสนี่ เป็นคุณอันสูงสุดเลยไม่มีคนอื่นใดยิ่งไปกว่าหรือเสมออย่างนี้ไม่มีอมีแต่อรหัตคุณเนี่ยเป็นจอมเลยทีเดียวเป็นยอดแห่งคุณทั้งหลายคุณพระพุทธเจ้าก็รวมลงในนี้หมดเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนผู้มีวาสนาบารมีดังแต่ขั้งพระพุทธเจ้า น, นู่นทั้งที่ยังไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้า แต่บุญกุศลทนหลังน่มาโดนบันดาลให้อยากเฝ้าพระพุทธเจ้าอยากเห็นพระพุทธเจ้าอย่างแรงทีเดียวอย่างพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าเจ้ามาหากรรณะเนี่ยเกิดเป็นวันมามีแต่ทรงมาแล้วเดินไปผ่ามาวิ่งไปตามถน น, นทางในเมืองตามซุ้มประตูต่างๆ ไปเที่ยวถามคนว่าใครยังได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมสูงบังเกิดแล้วหรือไม่อย่างงี้นะเมื่อไม่มีใครได้ยินก็ผ่านไปวันนี้รวมทั้งอมาตะพันหนึ่งนะั่นก็ออกติดตามข่าวคนอาทิตย์อาทางกันแต่ละวันแต่ละวันมเมื่ออินรีมันแก่ขึ้นแล้วไปอย่างนั้นนะี่ถึงมัน พระราชาเสด็จไปวันต่อไปไปสู่ปากทางเข้าสู่นครหลวงทางหนึ่งก็จึงได้พบพ่อค้าสามคนเดินทางมาถึงเมืองสวัสดีนุ่นมาค้าขายในเมืองอุกระนครเมืองของพระเจ้ากบิณนะัก็จึงได้ตัดถาม พ่อค้าสามคนนั้นพวกค้าสามคนนั้นจึงได้กราบทูลว่าบัตนี้พระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วเวลานี้ประทับอยู่เมืองสาวัตถีวัดเชตวันนรามประชาชนได้ฟังนะเกิดปีตีทั้งห้าขึ้นจนถึงกับสลบสไลไปหมฟื้นขึ้นมาแล้วก็ถามอีกพวกพ่อค้านั้นก็นยืนยันว่าพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วจริงๆ เวลานี้นาะยประทับอยู่เมืองสาวาีเอากดสลบไปอีกพื้นขึ้นมาก็ถามอีกกดทูลได้ทรงทราบเหมือนเดิมครั้งที่สามจึงตั้งสติได้โอ้น่าอัศจรรย์หนอพระพุทธเจ้าพระธรรมบังเกิดพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์บังเกิดขึ้นในโลกแล้วเอาลนะพวกท่านมาบอกข่าวอัน เป็นมงคลอันสูงยิ่งให้เกศข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะประทานรางวัลให้คนละแสนกะหาปณะระราชาก็เขียนจดหมายใส่ซองแล้วก็มอบให้พ่อข้าสามคนนั้นไปเอาหนังสือนี้ไปให้พระราชินีของเราที่พระราชวังนะแล้วเขาจะได้จ่ายเงินให้พวกท่านคนละแสนหนึ่งกพ่อค้าเหล่านั้นก็ไปกัน เข้าไปในเมืองส่วนพระราชาทราบอย่างนั้นแล้วก็ทรงมาพร้อมด้วยพวกอมตะพันหนึ่งแล้วก็เสด็จไปเลยไม่กลับไปพระราชาวังเลยรีบเสด็จไปเพื่อเยยพ่ อ, อพระพุทธเจ้าส่วนพ่อข้าสามคนนี่ก็เข้าไปในพระราชาวังขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ว่านำสันตราของพระเจ้าแผ่นดินมาถวายพระมเหสี เขาก็อนุญาตเมื่อมรเหสีได้อ่านแล้วยังกล่าวตำหนิพระราชสามีว่าโอ้ทำไมพระราชทานให้น้อยไปนี่พระราชินียังเห็นว่าน้อยไปนี่พระราชทานในคนละแสนกหาพณะเอาเราจะให้พวกท่านคนละสามแสนอืมพวกนั้นตกลงว่าได้เงินคนละสี่แสนกหาพณะกัน เพราะบวกข่าวพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์บางเกิดขึ้นในโลกแก่พระราชาในครั้งนั้นนี่แหละจงว่าการหาเงินเมื่อมันไปถูกจังหวาถูกช่องมันบุญอำนวยผลให้แล้วมันได้ง่ายง่ายได้สบายเลยส่วนพระมเมสีนั่นเมื่อได้สับอย่างนั้นแล้วก็ให้คนไปบอกภรรยาของอมาตะทั้งพันหนึ่งนั้นนะ แจ้งให้ทราบว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์บังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระสามีของเรากับสามีของพวกเธอทั้งหลายได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วที่เมืองสามปติแม้เราก็จะออกไปบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระสามีให้พวกเธอจะไปด้วยหรือไม่ไปก็แล้วแต่ หรือจะอยู่ครองเลื่อนต่อไปก็แล้วแต่ mm. เมื่อภรรยาของอมต า, านั้นได้อ่านดูจดหมายแล้วก็พอใจจะออกบวชติดตามพมหมเหสีไป mm. ก็จึงได้ตอบพมหิเสนัดวันเวลากันได้รถคนละคันแล้วก็ไปกันนหละสมัยก่อนนะั้นรถเทียมมารถจักรรถจนอย่างนี้ไม่มี พากันพารถวิ่งไปตามทางที่จะไปสู่เมืองสวัสีนั่นเนี่ยพระพุทธเจ้านั้นรู้ด้วยพญานว่าผู้มีบุญจะมากราบมาไหวพ้พระองค์ผู้องค์จึงได้เสด็จไปต้อนรับอยู่ที่โคนไม้ต้นนิครธต้นหนึ่งข้างทางที่พระเจ้ามหากรนณาเสด็จไปข้ามแม่น้ำถึงสามแม่ โดยอธิษฐานบุญญาบารมีแล้วขับมากระโจนลงบนน้ำาม้าไม่จมลงในน้ำเลยเท้าม้าก็ไม่เปียกเหมือนกับม้าวิ่งไปบนดินนี่เองนะไปถึงแม่ที่สองที่สามก็อธิษฐานถึงบุญบารมีคุณพระตนกรเข้าก็ม้าก็วิ่งไปได้สะดวกสบายแม่พวกมเหสีเหล่านี้ก็เหมือนกันเนี่ย ก็อธิษฐานอย่างเดียวกันแล้วก็วิ่งรถไปบนผิวน้ำรถก็ไม่จมลงในน้ำเนี่นี่แหละเรื่องเรื่องอปุญญาณุภาพนะถามมันมากพอแล้วมันเป็นอย่างังนะบันดาลให้อุปสรรคต่างๆนั้นลุล่วงไปได้เลยฉะนั้นการทำบุญกุศลของพุุธยปสัตวจะไปท้อถอยเมื่อเราทำน้อยนี่บุญกำลังน้อยมันจะมาอำนวยผลให้ ยิ่งใหญ่ไพศาลอย่างนั้นมันอํานวยไม่ได้ขอให้เข้าใจเพราะว่ามันมีกําลังน้อยมันจิบันดาลอานวยผลให้ได้อย่างนั้นทําไมล่ะอย่างนี้แหละผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็ทําบุญกุศลให้มันมุงมากเข้าอไหวพระนั่งสมาธิภาวนาขยันเข้าไปอย่างนี้นะไม่เห็นแก่รับแก่นอนเพราะว่าการภาวนา อันทำใจให้สงบระงับลงไปนี่เป็นบุญกุศลอันสูงส่งไปแล้วเบงั้ น, นผู้มีศีลมาแล้วอย่างที่เคยพูดมาแล้วนั่นแหละมันย่อมบาเพ็ญสมาธิภาวนาได้ทำจิตให้สงบลงง่ายเพราะว่าศีล น, นั้นสกัดกั้นบาปไม่ให้เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นก็แปลว่าศีลมันสนับสนุน จิตให้สงบเป็นสมาธินั่นเองเนี่ยดังนั้นจึงไม่ควรพากันประมาทเพราะว่าเราก็รู้ไม่ได้ว่าบุญกุศลที่เราทำมาเท่าไหร่นั้นจะหมดลงเมื่อใดเราก็รู้ไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อเวลาบุญกุศลมันยังหล่อเลี้ยงรักษาชีวิตอันนี้ไว้อยู่เชนนี้เราก็จะพยายาม เพือกีดใจดวงนี้แหละให้มันเข้มแข็งเข้าไปให้มันสงบระ ง, งับให้มีปัญญารู้เท่าทัดสี่ขันหานี่ตามเป็นจริงอย่างไร mm hmm. เมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่ยนี่าง้ปรงวางวา ง, วางลงไม่ถือว่าเป็นของเราของเขาอย่างนี้นะ mm hmm. เมื่อตายลงนะไม่มีทางนะมันจะไปเกิดอยู่ในโลกนี้ ไม่อยู่แล้วพราะมันเห็นโทษนี่มันเบื่อหน่ายต่อธาตุสี่ขันธ์ห้าแล้วจิตใจนะถ้าว่ายังบุญบารมียังไม่เต็มยังไม่ถึงพระนิพพานบุญกุศลอันเกิดจากการบําเพ็ญในชาตินี้ก็จะอำนวยผลใ้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ซึ่งมีความสุขสูงกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่าถ้ามีอายุยืนยาวนานด้วยอืม แม้เราไม่ปรารถนามันก็ไปไปด้วยอำนาจแห่งบุญทุกคนก็ไม่ต้องปรารถนาหรอกบาเพ็ญบุญกุศลเรื่อยๆไปฝึกขนจิตใจของทนให้แน่วแน่ยอยู่ในบุญในคุณอย่าให้มันตกไปทางบาปอากุศลเช่นนี้แล้วนั่นถึงไม่ปรารถนามันบุญกุศลที่ทำาะมันั้งนำไป ถ้ามีบุญมากก็นําให้ไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปกว่าโดยลําดับไปอย่างนี้นะถ้าบุญไม่มากถึงขนาดนั้นก็ให้เกิดสวรรค์ชั้นต่ําชั้นดาวดิงอะไรอย่างนี้นะอชั้นจาตุมาราชิกาชั้นยาม า, ยางนี้แหละถ้าถึงชั้นดุสิตขึ้นไปแล้วถือว่าเป็นเทวดาที่มีบุญมากพอสมควรทีเดียว มันเป็นอย่างนั้นปรากฏว่าพระพุทธมารดาทั้งหลายก็สวรรคตแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนี่แหละทั้งหมดเลยบรรดาพุทธมารดาของพุทธเจ้าทั้งหลายที่หลวงมาแล้วนั่นก็ดีที่อยู่ในปัจจุบันนี่ก็ดีที่ที่พระองค์พระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันนี้ก็ดีพระมารดาของพระองค์ก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนั่นแหละ พระองค์ก็ตามเสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมโปรดแต่ว่าทรงประทับอยู่สวรรค์ชั้นดาวริงเพราะเหตุว่าสวรรค์ชั้นอื่นนั้นเป็นอากาศเทวดามีวิมานลอยอยู่ตามอากาศเฉยๆส่วนสวรรค์ชั้นดาวริงนี้อยู่หลังเขาสิเนรุราชชั้นจาุมหาราชิกาเนี่ก็อยู่เชิงเขาสิเีรชุช มีสวรรค์สองชั้นนี่แหละที่อยู่ติดกับดินเปอย่างนั้นหลังเขาเซเนรุราชนั่นก้วงได้หมื่นโยต์มนทนอันนี้นั ว, ว่าก้วงพอได้เหมือนกันนะอย่างนั้นดังนั้นผู้ที่เชื่อพระปัญญาตรดสรู้ของพระตัวเจ้าจึงไม่ท้อถอยในการทำความเพียรในการฝึกตน เพราะว่าตนอยู่ทุกวันนี้นะจิตดวงนี้มันก็ได้รับความทุกข์ความสุขคุกเข้าออ ก, กันไปอยู่อย่างนั้นหามีความสุขโดยส่วนเดียวไม่อย่างนี้เนี่ยเพราะว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนี้มันแปรปรวนกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่เลื่อยไปก็เดี๋ยวก็เป็นอย่างโน้นเดี๋ยวก็เป็นอย่าง น, น, น, างนี้ไปอยู่อย่างนั้นนะนั่นแหละผู้มีสติสมัชัญญาผู้ภาวนา พิจารณาอยู่ถึงได้เกิดความเบื่อหน่ายนั่นแหละเพราะเห็นทีไรก็มีแต่ความวุ่นวายความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายอันนี้อืมมีแต่แปรผันกระทบ ก, กระทั่งกันอยู่อย่างนั้นนี่นะดูมันอยู่เสมอๆแล้วมันก็มันก็เบื่อแล้วแับนี้นะอืมผู้ที่ไม่ไมดูไม่เพ่งดูอยู่เสมอแล้วมันก็ไม่เบื่อเรื่องมันเป็นย ง, งั้นดังนั้นน่ะ เราบาเพ็ญคุณธรรมขั้นสูงขึ้นไปอย่างนี้นี่มันต้องพิจารณาให้จนเบื่อหน่ายภายในจิตใจให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะพ้นจากธาตุสี่ขันหานี่ต่อไปไม่ได้อีกถ้ายังมีความกำหนัดยินดีในธาตุสี่ขันหานี่อยู่อย่างนี้นะแล้วมันก็ เขาอความหนาเนี้เมื่อมันมีแรงกล้าเข้าไปแล้วมันเป็นเหตุได้ทําบาปเหตุฉะนั้นมันถึงจะไม่ได้ไปเกิดในสวรรค์สั้นฟ้าอะไรต่ออะไรหรือว่าอย่างว่ามันไม่ทําบาปมากตายจากคนก็จะได้เกิดมาเป็นคนอีกแล้วก็จะได้มาทนทุกข์ทรมานอย่างนี้อีกเหมือนเหมือนอยังอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ อ, อันนี้แต่ว่าตัณหามันโย่อมใจของคน ให้ยินดีอยู่แต่ในโลกสงสารอันนี้แหละส่วนมากนนะไม่อยากให้หนไม่อยากหนีจากโลกอันนี้เนื่องจากว่าตัณหามันโอมจิตบางคราวมันก็ให้เกิดความสุขความสบายใจเหมือนกันตัณหานี่มันมีมายาร้อยแปดเช่นบุคคลทำการทำงานได้เงินได้ทองมามากมีเงินมีทองมีฐานะดอะีอยู่ดีกินดี จะไปไหนก็ไม่ลำบากมีพาหานะรับใช้รับสวยก็เลยถือว่าตนมีความสุขพอแล้วอย่างนี้เราจึงไม่เอือเพื่อจึงไม่ได้หันหน้าเขา้าสู่วัดวาอารามสดับตรับฟังพระธรรมคำสอนของพระตัเจ้าจึงไม่ยินดีฝึ ก, กจิตใจของตอนให้สงบระงับจากกิเลสตัณหา ก็เพราะว่ามันยินดียินตาในความสุขชั่วคราวเหล่านั้นนี่เป็นอย่างนี้คนส่วนมากนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสว่าผู้ที่ไปสวรรค์ น, นี่เหมือนกับเขาวัวคนลงนรกเหมือนกับขนวัวคนที่มาสนใจในการฝึกผลอบรมกายวาจาใจของตนด้วยโดยยึดเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาเป็นเครื่องดำเนิน อย่างนี้เรามีน้อยเต็มทีนะไม่ว่าพระไม่ว่าโยมเหมือนกันนะเท่าที่สังเกตดูแล้วไม่ค่อยบารมีจะว่าบารมีไม่ถึงก็ได้เธอบุญวาสนาน้อยเอื้อมไม่ถึงแทนจะมารักษาสินอุโมสถอยู่ในวัดว่าอารามอย่างนี้ตัณหามันก็บวกแล้วไม่ได้เขาไปรักษาสินยู่จะได้กินอะไรอ่ะ ไม่ได้ทำการทำงานอะไรอย่างนี้จะมีรายได้ที่ไหน啊 อ, อย่างโน่นอย่างนี้ไปแล้วตันหามันยังมีอุบายหลายอย่างจิตก็ไปเชื่อตันหาเสร็จแล้วก็เข้าวัดจำสินอุปโภศไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้นั่งภาวนาก็ปวดหลังปวดเอว อ, อย่างนี้นะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนลงนาลกเหมือนกับขนวัว น, นะนะไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยผิดหรอก ไอ้ผู้ที่คิดเห็นโทษเห็นภัยในกิเลสตัณหามันก่อให้เกิดความทุกข์วุ้นวายต่างๆวันนี้มีน้อยเดียวแล้วหันหน้าเข้ามาฝึกตนในวัดป่าอารามอย่างนี้แล้วเราก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามีปริมาณน้อยถ้าเทียบกับคนหมู่ใหญ่ๆอยู่ในบ้านในเมืองหมู่นั่นน่ะเป็นจานวนพันๆผู้มาอบรมสินธรรมในวัดมีเพียงว่าอย่างมากสี่สิบห้าสิบคน ร้อยคนอย่างมากอย่างนี้นะแล้วคนอยู่ในบ้านในเรือนตั้งพันพันก๋วยอย่างนี้อลองดูสินั่นแหละแล้วมันมันกดตรงกับคําสอนของพระเจ้าข้อที่ว่านั้นแหลยมันเป็นยังไงดังนั้นผูท้ที่มารู้มาเข้าใจเหตุผลของชีวิตดังกล่าวมานี้แล้วก็จึงไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาท ควรมีสติสมบัติสัญญะรักษากายวาจาใจของตอนนี้ให้บริสุทธิ์จากบาปโทษบนทินต่างๆที่ว่ามันบริสุทธิ์อยู่แล้วนะรักษามันอย่าให้มันเศร้าหมองกลับคืนอีกอย่าไปสร้างกิเลสอันเป็นบาปประทำให้เกิดขึ้นในดวงจิตนี้ต่อไปทาอย่างไรกิเลสอันมัวหมองจึงจะไม่ครอบงำจิตใจ เราก็ต้องทําไปแหละก็ได้แก่เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาในอริยาบถทั้งสี่นั่นเองนะอ่าไม่มีแหละอย่างอื่นที่จะรักษาจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณไว้ได้นะ่เรื่องมีสติสัมปชัญญะนี่แหละประจําอยู่ที่กายที่ใจนี่ตลอดไปเลยบางทีก็เพ่งอยู่ที่กาย บางทีก็เพ่งเข้าไปถึงจิตออกจากจิตก็มามองดูที่กายอยู่อย่างนี้นะดูแล้วดูเล่าเพ่งดูอย่างนี้มันก็เห็นความจริงของร่างกายขึ้นมาแล้ว ม, มันจะไปไหนล่ะเพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้พิษภาคเพียนพยายามอยู่อย่างนี้ไม่ท้อไม่ถอยอินทรีย์มันก็เ ก, กล้าขึ้นไป มันก็ทำให้เกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายในสังขาร น, นามโลกอันนี้ขึ้นมานี่แหละถ้าเราไปบำเพ็ญเพียรเพ่งวินิจบร่อยมันไม่เบื่อไม่น่ายนะี่ต้องเห็นแล้วเห็นอีกรู้แล้วรู้อีกความจริงของร่างกายนี่เป็นอย่างไรนี่นะต้องเพ่งดูแล้วรู้อีกที่พวกพูดอยู่นี่ได้ได้บเพ็ญมาแต่เบื้องต้นก็แบบนี้เองนะ เพลงพิจารณาลงไปถึงกับว่าเอาใส่หีบแล้วขึ้นตั้งบนเชิงตะกอจุดไฟเผาลงไปไฟไหม้ก็ปรากฏเห็นว่าไฟลุกโผร่มันก็ปรากฏเห็นอยู่ในใจอย่างนั้นอย่างนี้นะเนี่ยท่านเรียกว่าอุกหะหนิมิตนิมิตติตาจนว่าไฟไหม้ ศพนั่นให้เป็นเท่าลงไปเป็นฐานลงไปยุคลงไปแล้ววันนี้ก็เหลือแต่กระดูกนั่นแหละคันผูใ้ใดมีคุณธรรมอันดีงามแต่เวลายังมีชีวิตเป็นอยู่ลูกหลานเคารพน้อถือมากอย่างนี้นะเขาก็นำอัฐิธาตุอันนั้นไปก่อเจดีย์บรรจุไว้หรือไม่เทนั้นก็เอาไป ไว้ในช่องโบสถ์ที่เขาจัดไว้สำหรับใส่อัฐิกระดูกของผู้ตายนั่นแหละเอาไว้ที่สูงหมายความว่างั้นแล้วลูกหลานก็เที่ยวมาไหว้มากราบมาทำบุญกุศลอุทิศให้แต่ถ้าเป็นกระดูกของคนชั่วตายลงไปเผาไปแล้วขมิะเขาฝังไว้กับประชานเนี่ยไม่ได้เอาไปไหนคนชั่วเนี่ยไม่มีใครสนใจน่ะ ที่จะนับถือจะกราบจะไหว้ไม่มีเลยอย่างนั้นเลให้พากันเข้าใจถ้าบุคคลผู้กระทำบุญกุศลทำความดีให้แก่กล้าขึ้นในใจแล้วอย่างนี้แม้ตายลงไปอย่างนี้กระดูกก็มีคุณค่าลูกหลานเขาก็เคารพนับถือไม่ทอดทุรนี่นะ มันเป็นอย่างนั้นแม่เราก็เหมือนกันนี่เราเกิดทีหลังพ่อแม่ตายไปก่อนแล้วเราก็ช่วยเก็บกระดูกพ่อแม่ไว้ในที่สมควรเผื่อว่าเมื่อเราตายลงไปลูกหลานเขาก็จะเก็บกระดูกไว้ในที่สมควรเช่นเดียวกันลูกหลานมากราบมาไหว้ก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลของเขาอย่างนี้นะคนดีทั้งหลาย ในโลกนี้นะดูตั้งแต่พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านั้นนะเมื่อพระองค์ปรินิพานแล้วนั้นชาวมันลกษัตริพร้อมกันถวายพระเพลิงเสร็จตรงไปแล้วพระธาตุของพระองค์นั้นพวกกษัตริย์ในเมืองกุสินรารานั้นจะไม่ยอมแบ่งให้ใครเลยนี่จะเก็บหวงไว้ เฉพาะแต่ในเมืองของตัวเท่านั้นในคราวครั้งนั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าโทนพรมเคยเป็นอาจารย์สอนศีลปวิทยา่างต่างให้พวกกรรษัตริย์เหล่านั้นคือกรรษัตริย์ทั้งเกจ็ดหัวเมืองได้ทราบข่าวว่าพระ พ, พุทธองค์ปรินิพานแล้วอย่างนี้ก็พากันยกกองทาหารไปสู่เมืองกุสินารา วักว่าจะไปขอส่วนแบ่งพระบรมธาตุของอาวุธเจ้านั้นเอาไปก่อพระเจดีย์ไว้ในเมืองทุกรนให้คนทั้งหลายได้กราบไหว้สักการบูชาเหตุที่ยกของอาหารไปก็เพราะตั้งใจว่าถ้าไม่ยอมให้ก็จะต้องรบเอาประเทศใดก็ดีเมืองใดก็ดีบนี้ทนาพามนั่นพิจารณาดูแล้วว่า คนเหล่านี้จะต้องลบกันแน่นอนทีเดียวถ้าไม่มีใครห้ามได้อย่างนี้ท่านก็ถือเอาความที่ว่าท่านเคยเป็นอาจารย์ของกษัตริย์เหล่านั้นนะจึงไกขึ้นไปอยู่ที่สูงแล้วก็ประกาศลงมาเลยว่าท่านทั้งหลายที่ยกข บ, บวนกันมาเนี่ยประชาชามาหากษัตริย์นี่ก็ล้นแตเป็นลูกศิษย์ของข้าพเจ้าทั้งนั้นข้าพเจ้าสอนสิทธิวิทยาให้ วันนั้นขอท่านหลายจงฟังคําข้าของข้าพเจ้าพระศาสดาของเราเนี่ยทรงสอนให้เป็นผู้ตั้งอยู่ในความอดความทนต่อความเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะการเบียดเบียนกันเป็นทุกข์ในโลกเราไม่เบียดเบียนกันนั่นแหละดีเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอเสนอตัวว่าขอให้เป็นคนกลางสําหรับแบ่งพระโบรมธาตุ นี่ให้แก่หัวเมืองทั้งเจ็ดนั้นรวมแปดกับเพอเมืองกุศลล า, า ด, ด้วยท่านทั้งหลายจะเห็นดีเห็นชอบไหมกษัตริย์ทั้งหมดเหล่านั้นก็เห็นดีเห็นดีให้อาจารย์แหละเป็นผู้แบ่งสรรพรนสวนแล้วแต่อาจารย์เห็นดียังไงก็แบ่งให้ไปเลยโทนาพามก็จึงได้แบ่งพระบรมธาตุเหล่านั้นออกเป็นแปดส่วนอืม ส่วนหนึ่งก็ให้แก่พวกมรรคสัตว์เจ็ดส่วนนั้นก็ให้แก่เจ็ดหัวเมืองนั้นท่านเหล่านั้นก็รับเอาไปโดยไม่มีข้อตำหนิติเตียนผู้แบ่งอะไรเลยแต่ส่วนโทณพราหมณ์นั่นไปเห็นพระขิ้วแก้วของพระองค์เข้าก็คิดว่าเราต้องเอาแน่เพราะเราเป็นผู้แบ่งวันนี้ก็หยิบเอาพระขี้วแก้วนั้นซ่อนไว้ในมวยผมไม่ใครเห็นเลย เมื่อกษัตริย์เล่านั้นเลิกลาไปแล้ววนี่ทนาพามนั้นคิดว่าจะเอาเคี้ยวแก้มาดูก็ทำดูที่ผมไม่มีแล้วโอ้ยเสียใจอย่างแรงทีนี้ไม่ทราบว่าไปที่ไหนฮนี่นแท้ที่จริงแล้วพญอินนนมาเอาขึ้นไปสร้างพระเจดีย์บรรจุไว้ในสวรรค์ชั้นดาวริงนูหนนู ให้นามชื่อว่าพระเกตแก้วจุลมณีเจดีบ้างบางคนก็ตั้งปัญหาว่าเอ๊พยายินเป็นผู้มีศีลมีบุญมากานั่นน่ะทำไมจึงมาลักเอาของเขาไปมันจะไม่เป็นบาปเป็นโทษหรืออย่างนี้ผู้เฉลยก็เฉลยว่าไอพยายินน่ะดูพิจารณาก่อนแล้วถึงมาเอาไป ที่นาแล้วว่าทนพามเนี่ยถึงจะยึดเอาพระเขี้ยวแก้วอันนั้นไว้ก็ไม่สามารถที่จะรักษาพระเขี้ยวแก้วอ น, นั้นไว้ได้ต่อไปก็จะตกไปเป็นของผู้อื่นไปอย่างนี้มันจะไม่เป็นประโยชน์มากถ้าหากว่าพระอินทร์ลงมาเอาไปไว่าบรรจุไว้พระเกศแก้วจุลมณีเจดีย์แล้ ว, ลวพวกเทวดาหกชั้นฟ้าก็จะลงมากราบมาไหว้ สักการบูชาก็จะเป็นบุญเป็นกุศลของเทวดาเหล่านั้นนี่เมื่อพระอินทร์ได้พิจารณาโดยปัญญาแล้วก็เห็นว่าสมควรเช่นนี้จึงได้ลงมาเอาพระคิ้วแก้วจากมวยผมของโทนาพามนั้นไปเหตุนั้นจึงไม่ได้ถือว่าเป็นอัินาทานเดียวกว่ามาถือเอาไปโดยเหตุผลโดยอนุภาพของเทวดา มันเป็นอย่างนั้นโดยเหตุผลก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนะ่ถึงวันแปดค่ำสิบห้าค่ามาพวกเทวดาหกชั้นผ้าก็ได้ดอกไม้ทุกเทียนเป็นทิพย์แล้วก็เลื่อนลอยลงมาสู่เมืองสวรรค์ชั้นดาวริงไปเดินเวียนประทักษิณสามรอบแล้วก็ไปบูชาดอกไม้ทุกเทียมเป็นทิพย์นั้นแก่พระเจดีกราบไหว้เสร็จแล้วก็จึงได้ไป ประชุมกันที่ธรรมสภาศาล า, าอันบุญกุศลของพระยาอินพร้อมด้วยมเหสีเราครับนิรมิตไปให้ท่านเหล่านั้นไม่ได้สร้างเองหรอกบุญกุศลที่มันทําไปถึงมนุษย์แต่เป็นมนุษย์เนี่ยอสร้างไว้ให้เลยนิรมิตขึ้นมามันเป็นยนั้นเพราะนางสุธรร ม, มา เมีพยพญาอินคนที่คนที่สามนั่นเป็นผู้จัดขออนุญาตสามีแล้วสร้างศาลาไว้ข้างทางเพื่อให้คนได้เดินทางได้พักพาอาศัยและคนสมัยนั้นฟังว่าเมื่อเดินทางไกลไปค่ำตรงนั้นก็ไปแวะขออนุญาตเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าศาลาพักอยู่อาศัย เอาถ้าหากว่าคนคนเดินทางนะไปพักอยู่ในห้องใดไอ้เจ้าของห้องนั้นนะ่ะจะต้องเลี้ยงดูปูเสือคนเดินทางนั้นได้ตั้งกติกากันไว้อย่างนี้เพราะว่าการสร้างศาลานั้นได้ได้ร่วมใจกันสร้างรวมกันกับนางสุธรรมมาแต่นางสุธรรมมานั้นเรียวกว่าเป็นเป็นนายทุนใหญ่ อย่างนั้นก็บำเพ็ญบุญกุศลอยู่นั่นแนหะนางสุจิตรานั้นไปสร้างสระโบกกรณีเออนางสุนันทานางสุนันทานั่นสร้างสระโบกกรณีนางสุจิตราสร้างสวนดอกไม้ให้คนได้ไปดูไปชมเนี่ยพูดถึงเรื่องว่าตั้งแต่พระยาอินเป็นมรคมนกเนี่ยจะเป็นมนุษย์อยู่นั่นนะ่ะเป็น มคามานุปกมีเมียอยู่สี่คนน่ะส่วนานางสุชาดาไม่ทําอะไรเลยเพราะว่าได้คิดว่าสามีของตนก็เป็นลูกลุลงไม่ใช่ใครอื่นเมื่อสามีทําแล้วก็เหมือนกับภรรยาทานั่นแหละเลยมีแต่ผัดแป้งแต่งตัวอยู่เฉยๆไม่ขอนขวายสร้างบุญกุศลร่วมกับสามีและกับพรรคพวกเข้าใจผิดเรื่องมันน่ะ พอต่างคนต่างตายไปแล้วนางสุชาดานี่ก็เลยไปเกิดเป็นนางนกยางหากินปลาอยู่ซอกเขาแห่งหนึ่งอย่างนั้นส่วนนางทั้งสามนั่นก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวริงกับมัคคานกมัคคานกก็ได้เป็นพญาอินครองเมืองสวรรค์ชั้นดาวริงส่วนเมียหลวงนางสุชาาตายแล้วก็ไปเกิดเป็นนกยางหากินปลาเรียบหนองน้ําอยู่ พ่เขาแห่งหนึ่งพญาอินเมื่อได้เกิดเป็นพยาอินขึ้นมาแล้วมณนิโกเลงยานดูว่าเอ๊ะภรรยาหลวงขอเราไปไหนอ่ะทำไมไม่เห็นมาเกิดร่วมกันก็จึงไปเห็นว่าภรรยาหลวงนี่ได้ตายแล้วได้เกิดเป็นนกย่างหากินปลาอยู่เนื่องเนื่องจากว่าสามีและเพื่อนเพื่อนทำบุญกุศลแกก็ไม่ทาด้วย บุญมันจึงไม่มีบุญกุศลอะไรที่จะมาหนุนให้มาเกิดบนสวรรค์นี่ได้พระยาอินจึงลงมาแนะนำให้รักษาศีลห้านุกะยางก็ทำตามนักนุกะยางรักษาศีลห้าแล้วเมื่อตายลงมาก็ได้ไปเกิดเป็นลูกสาวของอสูรอสูร ล, ละนี่เกิดอยู่เชิงเขา่นรนรุาช ที่ชั้นจตุมหาราชิกานี่เองเป็นลูกสาวของอาสูน嘛นี่เมื่อเป็นลูกสาวของอาสูนทีแรกก็ไปเมื่อรักษาศิลหาแล้วตายแล้วไปเกิดเป็นลูกสาวของช่างม่อก่อนตอนนั้นพยาอินก็ตามไปอุปการะให้ทรั์ศินเงินทองไว้เลี้ยงชีพรักษาศิลห้บริสุทธ์เมื่อดางรักษาศิลหบริสุทธ์ตายพระก็ได ถึงจะไปเกิดเป็นลูกสาวของพวกอสูรเมื่อเป็นลูกสาวพวกอสูรอพยายนเลงที่พระเนธดูก็รู้ได้ว่าไปเกิดเป็นลูกสาวของอสุระซึ่งเป็นศัตรูกันมาแต่ก่อนวันนี้พญาอสุระนะันน่ะเห็นลูกสาวของตนใหญ่มาสมควรจะแต่งงานแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ประกาศป่าร้องพวกหนุ่มๆทั้งหลายมาชุมนมกันอ่า เพื่อให้ลูกสาวของตนเลือกเอาว่าชอบคนไหนให้เอาพวงมะลัยไปคล้องค อ, อคนนั้นบัดนี้เมื่อพระยาอินทราบเข้าวอย่างนี้ก็นิรมิตตัวเป็นอสูรแก่ไปผนเปอยู่กับหมู่นั้นนะพอให้นางอสุร น, นางลูกสาวของอสูรได้มองเห็นบัดนี้บอกว่าเอาเลือกเอาชอบคนไหนเอาพวงมะลัยไปคล้อง ไอ้นางสาวลูกอสูรนี่ก็เอาพวงมาลัยเดินไปไปคล้องคอให้อินทาพรามเ น, นเสียงออย่างนี้พญอินได้รับเกียรติอย่างนั้นแล้วก็รีบอุ้มเอานางอาสูรนั่นไปเลยถ้าขืนชักชาอยู่เดียวพวกอสูรนั่นจะล้มเล่นงานเอาพอาไปเลยนั่นแหละเอาขึ้นสู่จักร แก้วแล้วก็พาไปแล้นายสารถีมาตาลีสารถีก็พาขับจากแก้วอันนั้นไปออกไปนี้พวกอสูงก็วิ่งตามไปอะ่ะก็ติดตามไปพอสารถีขับรถจากอันนั้นไปไปถึงไอ้ที่อยู่ของพวกครุฑนะพระเยิยนเห็นว่า มันจะไปทำลายชีวิตของลูกนกครุดนกครุดที่มันบินไปไม่ได้เวราะงั้นเพราะว่าจาักของพญอินนั้นไปตรงไหนนี่ไม่มีเหลือเลยถ้าเป็นต้นไม้ก็หมดไปเป็นแถบๆไปเลยแหละพญอินว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเรานี่อย่าไปทำลายชีวิตของสัตว์เลยถอยๆ ถ, ถอยคืนเอาแม่แม่จะตายกา็ก็แล้วแต่บันทึก ไอ้พวกอสูรที่ตามมานั้นเห็นพระญอินถอยหลังหันหน้ากลับคืนสู่ที่เดิมก็เข้าใจว่าพรญอินคงได้พักพวกมาแล้วกลับจะมาสู้พวกเราแล้ววันนี่ก็กลัวกันเลยถอยกลับเข้าเมืองไปเลยพวกอสูรเหล่านั้นนะนี่นนนพระญอินได้ทีก็ทํำท่า ข, ขับไล่พวกอสูรเหล่านั้นไปได้โอกาสแล้วก็เปิดขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวริง ไปเลยแบบนี้นะไปทางอื่นไม่ไปทางเมืองพญาคุดเอานางลูกสาวอสูรนี่ไปอภิเสกให้เป็นอัคคเมเหสีตามเดิมให้นามว่านางสุชาดาเหมือนแต่ชื่อเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นอย่างนี้นี่แหละอันนี้สงสินนะ่ใาในพรเข้าใจเมื่อรักษาให้บริสุทธิ์ดีแล้วอย่างนี้ มันก็พาไปสู่สุคติโลกสวรรค์เหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสยืนยันไว้ว่าศีเลนสุคติยันตินั่นเนี่ยในท้ายสินนะผู้มีสินจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ดังนี้เป็นความจริงแหละผู้มีสินนี่เป็นคนไม่มีบาปเป็นคนมีจิตใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณาเอถึงมีศินบริสุทธิ์ได้ ถ้าผูใ้ใดยังมีใจโกรธอยู่ยังยึดมั่นในความโกรธอยู่เช่นนี้แล้วนะจะทาสินให้บริสุทธิ์ไม่ได้เลยนี่มันต้องชำระความโกรธให้สงบระ ง, งับไปจากกิจใจแล้วจเจริญเมตตาเข้าใส่แทนไว้ในใจนั้นทุกวันทุกเวลาเช่นนี้แล้วก็เพียงนั้นว่าจิตดวงนั้นไม่มีบาปครอบงำเลยไม่มีบาปแล้ว เมื่อมีบาปแล้วมันก็เบาสิไม่มีบาปแล้วเหตุนั้นพอจิตถอนออกจากร่างอันนี้แล้วมันจึงไปบังเกิดสวรรค์อือเพราะว่าบุญอนุสงสินั่นมันแรงกล้าเหลือเกินไอการผลทานนั้นก็แล้วแต่กําลังของผู้ทํามันจะทําได้มากได้น้อยเท่าใดถ้าผู้ที่มีผลทานน้อยอย่างนี้ ก็ไปตกแต่งเครื่องใช้ไม่สอยอาหารกรรบริโภคให้แต่น้อยไม่มากก็ตามกำลังของผลทานนั่นแหละไปะไเป็นยงนั้นผู้ใดมีภาวนาฝึกขนอารมณ์จิตใจของตนให้สงบระ ง, งับเจริญปัญญาวิปัสสนาเป็นอารมณ์อยู่อย่างเช่นนี้เนี่ยแต่ว่ายังละกิเลสไม่หมดเพียงแต่ทำให้กิเลสบรรเทาบาบางลงไปอย่างนี่ ท่านเมื่อหมดอายุสังขารแล้วก็จะไปเกิดสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปเลยทีเดียวออาจจะไปเกิดชั้นที่ห้าที่หกนั่นก็ได้หรือชั้นที่สี่ที่สามไปนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเพราะว่าขึ้นผู้ใดไปเกิดขึ้นชั้นสูงกึนไปสใดก็มีบุญมากเท่านั้นมีรูปละเอียดไปเท่านั้นมีความสุขยิ่งไปเท่านั้นด้วยอนุภาพของบุญกุศล อันนี้นะการภาวนาเนี่ยเมื่อเราทำใจสงบแล้วมันจะบาปอากุศลมันระ ง, งับลงไปแล้วจิตใจปลอดโปรงจิตใจเบานี่นะเหตุฉะนั้นแหละมันจึงบุญกุศลอันนีนะ้จึงนำให้ไปเกิดเป็นเทวดาที่มีรูปละเอียดมากจิตใจก็ละเอียดละอมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ อย่าไปปาถนาไปเป็นเทวดาอินพรมแต่ว่าพึ่งบำเพ็ญสมถาวิปัสนานี้ไปด้วยความไม่ประมาทแล้วถ้าว่าบุญกุศลยังไม่เต็มยังไม่บรรลุถึงพระนิพพานก็จะต้องมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไป